เอาีกคนหนึงเป็นคน้าปัญหาเก่งมากตอนแรกะตอนหลังมาก็เข้าใจอะไรมากขึ้นไปอย่างเงี้บ้างตอนนี้หายสงสัยอะไรยังตอนนี้ดีขึ้นมากอะค่ะเรียบเรียงอะไรตอนไรได้เป็นขั้นเป็นตอนได้เยอะแล้วแล้ว ก, ก็ก็เลยหันกลับมาปฏิบัติจริงๆเอาเอาเฉพาะปฏิจริงดู ค่ะคือเข้าใจตั้งแต่การอะไรอาการต่างๆที่มีเกิดขึ้นอารมณ์ของเราค่ะใหม่ม่เนี้เห็นแต่บอยจุ๋มคนเดียวนะเป็นนักร้องเก่านะซื้อมาอย่างเที่ยงเลยนะไม่เที่ยงเลยได้เสียงชาวบ้า้เสียงเราฟังชัดเลย ไม่ไม่ไม่เคยพูดในที่ประชุมค่ะพูเคือตอนแรกที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็เหมือนกับจาย์ขนุนนะ่ะคืออะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่รู้มันก็จะสงสัยนะแล้วมันก็เนี่ยไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละนะจนมาเจอพระอาจารย์เจอหลวงพ่อก็ พออธิบายเออเราก็เข้าใจต่างๆว่าอันนี้มันเป็นอันนี้อันนี้อันนี้นะอเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกเนี่ยเราเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมไอ้ตัวนี้คืออันนี้ใช่ไหมมันเกิดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเพราะเออเวลาที่เราสงสัยเราก็ไปก็คิดถึงที่อาจารย์สอนว่าเราต้องหาเหตุนะเวลาเวลาเกิดทุกข์เนี่ย แล้วต้องมันเริ่มมั้งแต่คราวที่แล้วที่ที่พระอาจารย์สอนให้ดูเวทนาอ๋อมันมันมีระดับเราก็เอ๊ะเรื่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันดูดูไปแล้วแล้วมันได้อะไรมันอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งยิ่งสงสัยมากเลยแล้วก็งงว่าขั้นตอนอะไรมันไปได้ยังไงจากจากรูปไปนามนี่มันไปได้ยังไงมันนี่มันผ่านอะไร ทำไมตัวไหนมันเข้ามันยังไงแล้วเราจะรู้สึกยังไงแล้วแล้วความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ทีนี้ก็พอพอมาอหลวงพ่อลําดับนี้ให้โอ้มันก็เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจในสติของเราเองนะคะว่าอันนี้มันใช่สติหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคิดมันเป็นตัวอื่นหรือเปล่าอ่เพราะบางทีเออ ตอนนี้เราคิดนี่แล้วพอดีเมื่อวานนี้ที่ที่หลวงพ่อพูดอย่างคือบอกสติมันพูดไม่ได้อันนี้ก็เลยก็เลยอ๋เอเดี๋ยวเราไปดูใหม่ยึดหลักอันนี้เลยพราะว่าบางทีมันมันก็มีตัวพูดนะมันก็มีก็เลยยึดหลักอ๋อมันก็อ๋อชัดเจนขึ้นนะมันก็รู้ตัวแล้วอา้าวตอนนี้อา้าวหลงไปแล้วตอนนี้อาการนี้อ๋อกำลังเพลินนะ มำลังเริ่มเพลินแล้วนะเราต้องทํำยังไงเราเราก็รู้ว่าเราว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงแลเราก็ลองดูแต่บางครั้งครับทั้งทั้งที่เราเฝ้าดูอยู่เนี่ยมันมันก็ยังเกิดอาการต่างๆเหล่านี้เรานึกว่าเรามีสติไงมันอา้าวเราก็อ่าหลงไปได้ยังไงพอมาทบทวนอย่างนี้หลายๆครั้งเขาเนี่ยบอกอ๋อบางทีกําลังสติเราก็มันก็ไม่แน่นอนนะก็ลอง เดินลองทําลองทําดูว่า ท, ทําทํำยังไงมันถึงจะเพิ่มกําลังสติของเราทําให้มันชัดไอ้ความอยากความอะไรมันก็เข้ามามันก็ลองทดลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆลองดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมัง่งแล้วก็เนี่ยหาเหตุมันไปเรื่อยๆก็ทดลองจนได้เรื่องวันที่ที่เป็นอะไรงานะระจารย์ Okay. โอเคก็ได้รู้ว่าอตอนไหนเร า, เราพอพอเรารู้ตัวว่าสติเราอ่อนเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็นเนี่ยก็สองสองวันนี้ก็ได้ได้ทดลองตลอดก็เนี่ยเอาทุกอย่างจับเข้ามาอย่างเห็นเนี่ยญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นโจทย์ได้หมด มองเห็นเกิดอะไรขึ้ น, นกระทบนี่ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นบ้างนะดูใจดูกายดูอะไรแลก็มันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเราก็ไม่ทันเราก็รู้แล้วเราก็กลับไปพิจารณาบางทีก็ทำซ้ำก็มีก็ทดลองกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะแเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากทานข้าวทานตอนกลางวันกลับมาเนี่ย มันจะได้อารมณ์ดีอยู่พักใหญ่คือมันจะลื่นไหลเราสามารถมันอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ตามทันถึงพอเผลอเรารู้อ่ะเรากลับมาเราก็เราก็แก้แก้ได้ก็กลับมาจับนี่ได้ไมไ่รู้บ่ะคือยังไงยังไงอ่ะต้องจับปัจจุบันให้ได้ให้ได้ชัดด้วยนะถ้าถ้าไม่ชัดนี้ มันก็ไปหลุดอยู่เรื่อยนี้ความชัดเนี่ยแค่ไหน ก, ก็ต้องก็ยังต้องก็ยังต้องปรับอยู่เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ทุกทุกครั้งมันก็มีทั้งเผลอทั้งไม่เผลอ ม, มีอย่างนี้ตลอดชัดไม่ชัดตลอดยังมีอยู่ครัง้งหนึ่งยกมือเนี่ยเออก็กำลังคิดเนี่ยพอตอนนั้นกำลังง่วงตาก็ห้อยลงมาแล้วก็รู้ว่าว่าง่วง เราก็คงไปเข้าจับไปที่ความง่วงก็ลืมพอดียกมืออยู่พอมือตอนตอนยกขึ้นมาตอนที่จกักจักสะดือเนี่ยถ้ามันก็ถูกอีกมือหนึ่งปึ๊บขึ้นม า, ารู้สึกตัวให้ความง่วงแวบหายมันก็ได้แล้วก็พอพอบางครั้งเนี่ยเราเพ่งหน่อยเพราะปกติติดเพ่งอยู่แล้ว พอเพ่งหน่อยเ่ยมันมันได้ความความเข้มขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในขณะที่ที่เราเริ่มเพง่งเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันมันก็จะเห็นอะไรชัดขึ้นอย่างอย่างตัวอย่ากเข้ามาเนี่ยเรากํำลังเดินเดินอยู่พอเราเพง่งเนี่ยอยากไปเดินตรงนั้นนะมันบอกเลยอยากไปเดินนะเราก็ไม่ได้นะเราไม่เชื่อนะ เราจะเดินทรงนี้แล้วเราก็ดูต่อมันจะมาอีกไหมมันจะมันมันก็มันมันก็ได้อย่างนี้ค่ะก็เลยดูไปเรื่อยๆก็ก็ดีแล้วก็รู้จักกำลังตัวเองยองไหนมันล้ามันอะไรเราจะผ่อนยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็กทำไปเรื่อยๆข้อที่ฟังจากหมอแววเนี่ยจุดที่จุดดีน่าจะมีสองจุดนะจุดที่ว่า เพ่งเข้าใจว่าเออ ช, ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนี่ยดีรู้บ้างหลงบ้างอ่ะดีคืออันนั้นเป็นตัวถูกต้องเลยแต่ข้อผิดมันอยู่ตรงไหนมันไม่เท่ากันบางทีไม่ชัดเนี่ยยาวกว่าชาัดหรือชัดเนี่ยยาวกว่าไม่ชัดไ อ, อ้ตรงนี้น่ะข้อข้อตรงนี้ต้องไปปรับตรงนี้ให้มันหมายก็ว่าถ้ามันเท่ากันเราพูดในวันก่อนนะ่ะคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือรู้เท่าเท่ากับหลงหลงเท่าเท่ากับรู้แล้วมันจะเป็นตัวพลัง เหมือนกับข้อบวกข้อลบของไฟฟ้าแต่ในอาจาย์ที่เท่ากันรู้บ้างหลงบ้างมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้าเราไปเจตนาให้มันชัดตลอดเนี่ยมันไม่ถูกละมันจะกลายเป็นเพ่งนะถ้าเราไปเจตนาให้มันไม่ชัดตลอดมันก็ไม่ใช่เพราะเจตนาเรามันต้องชัดใช่ไหมที่ชัดคือที่ไม่ช่คือมันไม่เจตนานั่นเองนะอันนี้มันจะมีหลักสากลปรับของมันและอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นไปได้คือเป็นนักพิสูจน์ น ะ, ะเอออันนี้คือข้อดีนะถ้าพูดถึงหมายเขาว่าอันไหนมันไม่ชัดตัวสอบใหม่อันไหนไม่ชัดตัวสอบใหม่ซ้ําไปซ้ามาบางคนไม่เอาเลยใช่ไหมเบื่อไปเลยอันนี้คือข้อดีสองข้อนี้คนจะดูให้ชัดๆว่าระหว่างข้ อ, อเด่นข้อด้อยหรือว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละให้มันให้มันทันกันอย่าให้มันทิ้งกันห่างให้มันทันกันอันนี้รองนี้ขึ้นนะอันนี้ข้อดีที่น่าแจกตอกย้ํา เรามาโยน์มาโน่นมาทางคุณจูรี้กลนะับมาคุณจูดี้เดี๋ยวแช่จะประพักเป็นคุณสุดท้ายนอกจากรายงานแล้วก็สรุป